ท่านสาธุรชนพัทธบริษัททั้งหลายและบรรดาเพื่อนพระภิกษุสมเณีทั้งหลายคัดเสรหน้นนี้ก็ยังเป็นวันที่สิบตุลาคมสองพันห้าอย่ิบหกความจริงผมเองก็รู้สึกดีใจคิดว่ามาตอนกลางคืนมาที่เก้ามันจะตาย มันก็ไม่ยักไม่อยากตายกับฟื้นขึ้นมาพูดให้ท่านลำคาญอยู่ได้ก็ยังมีความปลื้มใจในตัวเองที่ช่วยมาส่งผลให้ผมสร้างความลำคาญให้แก่คนอื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาท่านเพื่อนบิณฑษ์ ส, สมณเนที่อยู่ร่วมกันแล้วก็บรรดาญาติโยมพุทธบริษัทที่อยู่ร่วมกัน มองดูเวลาเวลานี้เป็นเจ็ดนิกาสามสิบนาทีพรไม่ใช่ยมแปดิกาสามสิบนาทีกิงข้าวแล้วก็นั่งคุยให้ชาวบ้านชาวเมืองรำคัญเล่งโกโกกนี่เป็นเรื่องของคนเร็วในพระพุทธศาสนาแต่ก็ผมก็นิยมความเร็วอย่างนี้มา น, นาน ว่าจะเลวได้เวลานี้ก็อยุจะเข้าไปเจ็ดสิบปีอยู่แล้วใกล้เต็มทีเอาไหนไหนมันยังไม่ตายก็สร้างความเลวสร้างความมังคาาต่อไปขอทบทวนอารมณ์เดิมทุกวันที่ท่านตื่นขึ้นมาเช้าทบทวนอารมณ์เดิมเข้าไว้ว่าอาเจโล ก, กิเลสกิเลสก็ อ, อเจโลก มีเท่าไรที่พระพุทธเจ้าบอกว่าจงอย่าถือเอาและก็ปฏิปทาที่ถูกต้องแต่สร้างกำลังใจเลวที่จัดว่าเป็นปกิเลตมีเท่าไรที่พทธเจ้าบอกว่าคนละทั้งสองอย่างนี้ตื่นขึ้นมาเช้ามดืดรีบโยนทิ้งออกจากใจเสียทันที ถ้าหากว่ามันทํำท่าจะไม่ไหวก็ต้องใช้ปัญญาบารมีเข้าช่วยแล้วก็ใช้วิทยาบารมีเข้าดันถอยหลังไปใช้คันติความอดทนในใจช่วยอดทนไว้จะเหนื่อยเท่าไหร่ทนดันออกมาให้ได้ตั้งสัจจะไว้ว่าพวกนี้ฉันไม่คบแล้วก็สมาธิฐานตัดสินใจว่าฉันต้องการจุดเดียวคือนิพพาน หลังจากนั้นเอาใจวาตั้งไว้ทุกเบขาบารมีเฉยต่ออารมณ์กิเลสทั้งหลายที่เข้ามารบกวนใจเขาจะโฆษณาบอกผมดีครับฉันดีครับข้าวเจ้าดีจ้ะอาตมาดีจ้ะจะยังไงก็ตามแล้วเบขายันเขาไวเฉยไว้ไม่ยอมให้เข้ามาใกล้เท่านี้พอลุกรานมากเกินไปฉันวิญญาเข้าต่อตี ใช้ปัญญาที่เป็นความกล้าเข า, าฟาดฝันให้วินาทเด็กเด่นไปนี่กําลังใจของเราเป็นอย่างนี้จงอย่าเลิกว่าอย่าคิดอลืมว่าเราอยู่ในในฐาะนะเนคขมภรณ์มีเราเป็นนักบวชถึงแม้ว่าครไหว้กบฏทรงความดีว่าอย่างนี้ก็ถือว่าถือบวชถ้ายิ่งเป็นระโสดาจิกทาคานาคามียเรายิ่งเป็นพระเต็มอัตรา เน <cat> <suicide> ื้อแท้เ <wallet> ริ่มเป็นพระคขมาเต็มที่แล้วเหลืออันหนังอย่างเดียวแต่ว่าทุกท่านจงอย่าลืมอย่าคิดว่าท่านเป็นพระอริยเจ้าจงอย่าคิดว่าท่านเป็นพระผู้สูงฌานทำใจสะบบายแค่หลกชั่วเท่านั้นได้พอใจแล้วหลังจากนั้นมาดึงสะเก็ดความดีที่องค์สมเด็จพระจินศรีฝังไว้ในใจให้มันแน่น ดึงเอาเปลือกเข้ามาปะไว้ในใจให้มันแน่นกระชับนะอย่าไม่ให้มันรัว่วดึงกระพี้เข้ามาดึงกันเข้ามาให้ทรงตัวถ้าอารมณ์เราเข้าศึกษาในขั้นพระนาคามีจะเป็นพระนาคามีหรือไม่ไม่สําคัญกําลังใจทรงได้คล้ายคลึงแบบนั้นเพื่อทําได้แบบนั้นเราก็พอใจ เรื่องที่ปุยานของท่านหลายจะมีสภาพจำสายผิดปกติสภาพทุกอย่างที่เห็นต่างๆก็โดยกำลังคนยานจะชัดเจนแจ่มใสมากตอนนี้เราก็มานั่งเล่งกีฬาสมาธิของเราให้มันเพลินๆทางนี้เพราะอะไรเพราะว่าถ้าถึงจับกำลังใจพระนาคา ม, มีได้แล้วเป็นแล้วไม่เป็นไม่สำคัญ เราติดก็เป็นสุขทรงกําลังใจได้ว่าถ้าตายคราวนี้ถ้าเราไม่ละความดีอย่างนี้นรกเราไม่ไปแน่พระบายภูรมสี่เราไม่ไปแน่ทางที่ไปเขาเรายางเลวก็สวรรค์อย่างกลางก็เป็นพรหม <c oughs> แต่เวลาก่อนจะตายจิตใจเราเกิดไม่นิยมร่างกายของเราขึ้นมาไม่นิยมร่างกายคนอื่นขึ้นมา ไม่ยอมวัตถุธาตุต่างๆขึ้นมาเราก็ไปนิพพานตั้งแต่การศึกษารมของพระโสดาบันขึ้นมาท่านที่ได้ทิพยกุ ญ, ญานสามารถจะเห็นนิพพานได้ชัดเจนแจ่มใสตามสมควรแต่ว่าพอถึงอนาคามีศึกษาพระนาคามีนีชชัดมากเหมือนกลางวันเวลาเที่ยง เราจะเห็นเทว ด, ดาเรือบพรมเหมือนกลางวันเวลาเที่ยงพระอริยเจ้าที่เข้านิพพานไปแล้วคำว่านิพพานนิพภะแปลว่า ด, ดับดับจากอารมณ์ของความชั่วดับจากอารมณ์ของความอิจฉาทิฏยาต่างๆดับอารมณ์ของการบ้าคลั่งเห็นคนอื่นดีทนไม่ไหว อารมณ์ทั้งหลายเหล่านี้ดับจกักรลมที่เข้าถึงท่านี่เข้าถึงนิพพานดับราคะความรักดับดับโลภะความโลภดับโทสะความโกรธดับโมหะความหลง <c oughs> ทั้งหมดนี้แม้ตะอองก็ไม่มีเนท่านผู้นี้มีสภาพไม่สูญตามที่เรานึกถือว่าเป็นทิพิเศษ ถ้้กำลังใจของเราเป็นทิพย์ไล่กับท่านเราสามารถจะเห็นท่านได้เพราะความละเอียดของกายไม่เท่ากันความละเอียดร่างกายของคนนี่หยาบมากคนในสัตว์ร่างกายของผีละเอียดกว่าคน <c oughs> ถ้าผีไม่ต้องการให้คนเห็นคนก็จะเห็นไม่ได้เป็นไวแต่ว่าจะได้ทิพย์กุญญาณที่มีกำลังสูงกว่า ร่างกายเทวดาละเอียดกว่าผีถ้าเทวดาไม่ต้องการให้ผีทั้งหลายเห็นผีก็เห็นไม่ได้ร่างกายของพรหมละเอียดกว่าเทวดาถ้าพรหมไม่ต้องการให้เทวดาเห็นเทวดาก็เห็นไม่ได้ร่างกายของพระที่ไปนิพพานละเอียดกวา่าพรหมถ้าพระที่ไปนิพพานแล้วไม่ต้องการให้พรหมเห็นพรหมก็เห็นไม่ได้ ตอนนี้ถ้าเราทําใจคล้ายคืองท่านลอกเรียนปฏิบัติไทายของท่านไม่ใช่มันก็เหมือนกับคนที่อยู่ด้วยกันแล้วปฏิบัติคล้ายคืองกันคบกันได้ชั้นใดเรากับพระทินิพพานก็มีสภาพเช่นเดียวกันถ้าเราปฏิบ่ายคล้ายคืองท่านท่านก็ไม่ดังเกลียดเราถ้าเราอยากจะเห็นท่านก็ให้เห็น นี่ขอบัรดาท่านหลายที่ถือว่าการเอานิพพานเป็นที่ทัศนาจรมันไม่ใช่ทัศนาจรได้ทุกคนหรอกคนเร็วๆไปไม่ได้แม้แต่ความรู้สึกว่าการจะเข้าไปจะไปนิพพานยังคิดไม่ถึงเลยคนที่เห็นได้ไปได้ต้องมีกำลังใจใสีอาจใครขึงกัน ตรงความว่าคนกินเหล้าคบกินเหล้าคนกินเหล้าได้คนกินน้ําหวานคบคนกินน้ำหวานได้คนพูดมากคบคนพูดมากได้คนพูดน้อยคบคนพูดน้อยได้คนชอบอิจฉาไทิศยาคนคบกับคนที่ชอบอิจฉาเสียาคนได้เ พ, าพราะเผ่าเผ่าพันุ์เดียวกันที่คนที่จะเห็นเทวาดาเห็นผมอันนี้เห็นนิพพานเขาต้องมีปฏิปทาคล้ายคึงท่าน จะถึงแม้ว่ายังไม่เป็นก็ยังคบกัท่านได้อย่างท่านบรรดาท่านรัฐมนตรีทั้งหลายท่านเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ท่านปรหลัดจะทรวงท่านเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เชาบ้านเข้าถึงท่านยากเพราะมีปฏิปทาไม่คล้ายคิงกับท่านแต่ว่าข้ารดชการชั้นพู่นน้อยรองลงมาเข้าถึงท่านได้เพราะมีปฏิปทาคล้ายคลึงกันมีงานร่วมกันข้อนี้ฉันใด แม้เทว ด, ดาก็ดีพรหมก็ดีพระอาเดียเจ้าที่นิพพานไปแล้วก็ดีก็มีสภาพอย่างนั้นทีนี้มาคุยกันแล้วก็มาศึกษาเรื่องปฏิเวตาของพระอาหารหันต์อย่าลืมว่าก่อนที่จะทําอะไรต่อไปเนะี่ยทบทวนความต้นเสก่อนสิ่งที่คนละอะไรบ้างตัดเสก่อนสิ่งที่คนสะสมอะไรบ้างสะสมให้ทรงตัวเสก่อน อย่ารีบกระโจนยกหม้อข้าต้มร้อนๆดื่มทั้งหม้อมันจะตายการจะเป็นพระอรหันต์ก็เมือนกันเป็นหรือไม่เป็นไม่เป็น ไ, นไรไม่ช่างเถิดเราจะรักษาปฏิบัติทางของท่านเขเช่นเดียวกันจะต้องไล่เบียยความชั่วทิ้งไปเก็บผลความดีขึ้นมาไว้ในใจครบกต้นบริบูรณ์จงงงงึงถึงขั้นปฏิบทาของพระนาคามี หลังจากนั้นก็เก็บตกความดีของพระอรหันต์ท่านดีผานอนาคามีผลมนแล้วจะเป็นพระอรหันต์ดูตามแบบไม่หนักเพราะว่ากิเลสหนักๆจริงๆตัดไปหมดในขั้นพระอนาคามีตอนนี้เหลือแต่ยงกับลิ้นโตไม่โตที่จะลืมนั้นยงกับลิ้นจับตัวยากเหมือนกันถ้าเผลอก็กัด <c oughs> แต่นั้นไม่เป็นไรพระองค์สมเด็จพระสงฆสวัสดิสก็สอนให้เรามีสติสมัมปชัญญะเรามีปัญญาเรามีความเพียรเรามีความอดทนเรามีสัจจะเรามีการตั้งใจดีอารมณ์เราเยือกเย็นเพราะไม่ตาเรามีทานความดีเราไม่สิงความดี เราตัดสินใจเพื่อิพผานุเนกขมะอุมเบขาเรามีกำแพงกัน้นไม่ความดีทั้งหลายเหล่านี้ไหลพ้นไปจากเราแล้วกั้นไม่ความชั่วไหลเข้ามาถึงเราอันนี้ก็เลยเป็นของไม่ยากานั่งมองดูว่าพระอาหารหันต์แอรินระยุงทั้งหลายเล็กๆมีอะไรบ้างเราตั้งท่าจับ มีห้ามียี่ห้ากลุ่มกลุ่มที่หนึ่งเรียกว่ารูปราคะคือความหลงในรูปประชานกลุ่มที่สองเรียกว่ารูปราคะความหลงในรูปประชานรูปประชานและรูปประชานนี่เป็นของดีเราต้องทรงตัวไว้แต่ว่าอย่าหลงว่าดีแค่นั้นเอาไว้เป็นมาสาหรับขี่บุกต่อไป หรือว่าเอาไว้เป็นช้างสำหรับตัวเข้าสโสสงครามเวลาจะรบก็ฆ่าศึก ข, ขี่ช้างขี่มา้าชานดั้งสมรรคกันเหมือนกันทำเหมือนกับม้า ก, กับช้างช่วยกําลังใจของเราให้ฟันฝ่ายฆ่าศึกคือกิเลสให้พินาศไปใช้ปัญญาเป็นคมกล้าเข้าฟาดฟันฆ่าศึกด้วยปัญญาบรารมีใช้เวิยะความอดทน ต่อสู้กับข้าศึกไม่อดทนมีความภาคเพียรต่อสู้กับข้าศึกไม่ยอมแพ้ใช้คติอดทนแต่วความเหนื่อยยากสัตจะสงไว้ฉันจะต้องฆ่าเธอให้ได้นี่เป็นกําลังใจที่เราจะจับลงจับยุงจับลิ้นในขั้นพระอาหารหันต์มองตอนนี้แล้วเราก็ไม่เมาในรูปประชันและอารมประชัน ตามแบบท่านเขียนไว้อย่างนี้แต่ว่าเนื้อแท้จริงๆของบุคคลผู้ปฏิบัติถ้าหลงเฉพาะในรูปประชันและอรูปประชันก็เป็นประโสดาบันไม่ได้แในเมื่อเป็นประโสดาบันไม่ได้ก็เป็นพระนาคามีไม่ได้ความจริงตัวไม่หลงมาตั้งแต่ต้นแล้วถ้าได้เขียนไว้เราก็ต้องพูดกันข้อนี้ก็ผ่านไปเพราะไม่อยาก ต่อมามานะการถือตัวถือตนตอนนี้ต้องใช้อาวุธพิเศษเขา อ, องค์สมเด็จพระสัมสมาสัมพุทธเจ้าแล้วการถือตัวถือ ต, วอตนว่าเราดีกว่าเขาเราเสมอเขาเราเร็วกว่าเขาทําทให้จิตพุ่งสันถ้าเราจะหกักฐานด้วยปัญญาปัญญามันยังมืดใช้ได้ปนะัญญาในใช้ได้แต่ช้าไป ต้องเอาเครื่องช่วยปัญญาเอามาข้ามาอีกมาอันนี้ก็คือปกเพนิวาสานุตติยานการะลึกชาติได้ถอยหลังลงไปใครเขาดีกว่าเราในฐานะเช่นไรพบผลว่าเราเคยเกิดมีสภาพฐานะเช่นนี้ไว้และกี่ชาติภาพนั้นจะปรากฏ แล้วก็ดูต่อไปไว่าชาตินั้นเราชื่ออะไรพ่อแม่ชื่ออะไรลูกเมียชื่ออะไรตัวเราชื่ออะไรมีความสุขมีความทุกข์เป็นยังไงมีสมบัติขนาดไหนและก็หนะที่ทรงชีวิตอยู่อย่างนั้นมีความสุขหรือมีความทุกข์ร่างกายเราทรงตัวดีหรือมีการเสื่อมทรามเป็นธรรมดามีอาการป่วยไข้ไม่สมบายไหมและมีความตายในที่สุดหรือเปล่า ในที่สุดเราก็จะพบว่าคนที่มีฐานะดีขนาดไหนก็ตามก็มีสภาพไม่ต่างกับยาจกนั่นคือเกิดแล้วกแก่แล้วก็เจ็บแล้วก็ตายจิตใจวุ่นวายเหมือนกันยาจกจริงๆยังมีความวุ่นวายน้อยกว่ามหาเศรษฐีผมพูดอย่างนี้ท่านลงไปศึกษามหาเศรษฐีดูผมพบมาหลายๆแล้วพบศึกษาจากตัวเองท่าน ว่าท่านมีความสุขมีความทุกข์ไปยังไงก็พบตามความเป็นจริงว่าท่านไม่ได้มีความสุขจริงตามที่เราคิดรองเท้าของท่านคู่หนึ่งเป็นหมื่นเป็นแสนบ้านของท่านหลังหนึ่งเป็นร้อยล้านพันล้านเงินของท่านนับไม่ไหวแต่ท่านก็แก่ลงไปทุกวันทุกวันความวุ่นวายในใจของท่านมากกว่าเราเยอะ เก็รวมความว่าการท่นลงตนถือว่าต้องสยบตนให้เองเขาดีกว่าหมดไปตัวเสมอกันก็ดีตัวที่เร็วกว่าเราก็ดีเราคิดว่าเราเร็วกว่เเาเขาเสมอเขาเขาเรา็วกว่าเราเราเร็วกว่าเขาถ้าใช้กําลังเขาปลกเพรนิวาสารดียานทบทวนไปอย่างนี้จิตใจเราก็จะเป็นสุขเลิกมีทุกเรื่อมถือเลิกถือตัวที่ตน หากว่าดังเกียรติสัตว์ประเภทไหนก็ทบทุนลงไปว่าเราเคยเกิดเป็นสัตว์ประเภทนี้บ้างไหมที่เราเกิดอย่างนี้เพราะกฎของกรรมอะไรเกิดเป็นคนดีคนเลวคนชั่วก็เหมือนกันเพราะกรรมอะไรถอยมาถอยไปเราก็จะหมดการมาณนะเขินที่ตัวทีอตนมีแต่ตัวเมตาปราณี เห็นว่าเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันเท่านั้น <c oughs> นี่ข้อนี้เราตัดไปได้อย่างสบายถ้ามีปกเพรนิวาสานุต ธ, ธิยานแล้วต่อจากนั้นไปก็อุทธจักอารมณ์ที่ฟรรุ้งซ่านอรหัรรักนี่ท่านจะฟุ้งไปไหนของท่านแต่มันก็ยังมีอารมณ์อยู่ การตัดอารมณ์ในการพูนสร้างก็ธรรมะในเมื่อเราได้มโนมยิธิเราก็ใช้กําลังใจเวลานี่ถ้าจิตใจสะอาดขนาดนี้ถึงแม้ว่าเราจะไม่เป็นพระอริยเจ้าเราเดินตามเงาของพระอริยเจ้า <c oughs> อย่างน้อยน้อยกลิน่นอายพระเจ้าก็เข้ามาถึงใจเราเรื่องของพระนิพพานเป็นเรื่องไม่หนัก ตอนนี้จิตใจจะแจ่มใสมากจะพบเทวดาหรือผมหรือพบพระอริยเจ้าเหมือนเวลาตะวันเที่ยงพระอาทิตย์เที่ยงที่ไม่มีเมฆบังจะมีความชัดเจนแจ่มใสสัมผัสกันได้เป็นอย่างดีพูดคุยกันได้สบายแต่ว่าไม่ได้ใช้วิญญาณคุยนะวิญญาณนี่มีสภาพความ ร, รู้สึกจิตก็คุยไม่ได้จิตมีสภาพนคิด ที่คุยกันเขาใช้อธิษมานใกายคุยกันท่านมีอธิษมานใกายพวกเราก็มีอธิษมานใกายเื่ออทิสมานในกายที่มีสภาพไม่ตาย <c oughs> ร่างกายภายนอกตายได้อธิสมานในกายไม่ตายมันก็มีมือมีอเท้าไม่กันมีปากมีหูไหม่กันแต่ว่าขาดธาตุน้าดินลมไฟเป็นอากาศธาตุ ฉะนั้นคนที่เที่เดินด่ายชาว บ, บ้านเก่งๆเป็นคนที่มีบาปอกุศลไม่มากไม่รู้จักเรื่องนี้หรอกเขาบอกว่าอาวิญญาณไม่มีาปากไม่พูดกันได้อย่างไรถูกต้องถ้ามีความเจาดแค่วิญญาณแล้วมันก็พูดกันไม่ได้หรือมีความจริแค่จิตก็ยังพูดกันไม่ได้ ถ้ามีความคิดความรู้สึกมีความสามารถรู้จักทัศนิตถ้าใช้อธิสมานกายคุยกันเมื่อไรก็ได้ถ้าใครจะมาสอบสวนแล้วก็ทำเจโตวิญญาณให้ได้ซะ ก, ก่อนนะถ้าได้เจโตวิญญาณาเมื่อไรก็พอสอบสวนกันแล้วไม่ต้องมาถามนั่งสอบอยู่ที่บ้านนั่นแหละนอนสอบอยู่ในมุงจะเข้าใจเอง แล้วก็จะมีใครบางไหมค์จะกล่าวว่าผมเป็นอดอุตริมนุสธรรมอันนี้ผมพูดตามหลักวิชาของพระพุทธเจา้า <c oughs> ถ้าหาว่าผมไม่อดอุตริมนุสธรรมไม่ครบก็ดีผมจะได้แยกนิกายอภิสระไม่ขึ้นกับใครทั้งหมดผมจะขอขึ้นตรงต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้า ว่าผมบวชนี่พระอุทิตตัวตรงสำเร็จพระสามาภพุทธเจ้าไม่ได้บวชอุทิตตัวตรงเพื่อเป็นโุสศิตของคนผ่านใดๆนัก่านทั้งหลายเนี่ยผมไม่เคยคิดว่าเขาเป็นผู้บังคับบัญชาดัะนั้นผมยังอยู่ของผมเป็นสุขที่เนี่ยผมซื้อของผมญาติโยมซื้อให้ <c oughs> แต่ผมก็เป็นนึกว่าเป็นที่ผมผมเป็นนึกว่าเป็นที่ของสมเด็จพ ร, ระสัมมาทิฏธเจ้าแต่ว่าไปไม่ได้นึกว่าเป็นนเป็นที่ของคณะผ่านคณะใดคณะหนึ่งเราก็มาคุยกันไป <c oughs> นเมื่ออุทจจะเป็นเกิดขึ้นความท้อถอยคิดว่าอย่าเพิ่งไปนิพพานเลยมันเหนื่อยนอนพักแค่นี้ดีกว่า ก็เป็นอ <c oughs> <c oughs> ันว่าเราก็ไม่เหลยเราก็ไม่ไม่พุทธไม่คิดอย่างนั้นแหละไปก็เลยได้มโนยิธิแล้วไปนิพันธ์ถ้าได้ทิพคุกุยานมองดูนิพันธ์เองชัดที่พระพุทธเจ้าทนทรงตรัสว่านั่งอยู่ตรงนี้คุยกับเทวดาหรือผมก็ได้คุยกับพระอริยเจ้าที่ปนิพันธ์แล้วก็ได้ มองดูท่านคุยกับท่านถามว่าการเป็นเทวดาต่อไปเป็นพมต่อไปมีความสุขและความทุกข์ <c oughs> แลวความสุขนั้นถ้าจะมีถ้าเทียบกับ น, นิพพานใครจะสุขกว่ากันก็รวมความว่าสู้นิพพานไม่ได้ฉันหรือกําลังใจนิดเดียวเราจะเก็บไว้ทาไมตัดสินใจไว้โดยเฉพาะท่านได้ทิพยโกยานถ้ามืดมองดูนิพพานทุกวัน ให้เห็นสภาวะของนิพพานว่าเป็นสุขเปรียบเทียบกับเทวดาหรือพรหมถ้าได้มโนยิติหรือปัญญาไปนิพพานทุกวันเปรียบเทียบความสุขของมนุษย์สโลกเทวโลกกับพรหมโลกกับพระนิพพานใครดีกว่ากันก็จะพบว่าอารมณ์ที่ทรงอยู่ที่นิพพานมีความเยือกเย็นมากมีแต่อารมณ์เบาไม่มีความหนักไม่ดินทีเดียวขนาดแท่นี้ แล้วก็สามารถจะตัดอุเทจรได้แบบส บ, สบายๆหลังจากนั้นกิเลสใหญ่ตัวหนึ่งคืออวิชชาความจริงถ้าถึงขั้นนี้แล้วอวิชชาไม่ต้องตัดก็ได้เพราะว่าไม่มีกำลังเหลือถ้าวิชาจะมีกำลังกลา้าเราก็ทำไม่ได้ไม่ได้สินถ้าถึงแค่นี้อวิชชาไม่มีความหมายท่านก็เขียนมาอย่างนั้นเอง เขียนไว้เพื่อว่าคนที่ก็เดินทางตรงไม่ต้องข้าวเก้าทีแตขั้นบางขั้นขึ้นมาตรงเพื่ออารหาันเลยบางท่านมาเป็นปัศวดาบันวัดตีเพื่ออารหาันเลยเขาก็มาตีกันตรงอวิชานีอวิชชาแปลว่าความโง่ที่มีความเข้าใจว่ามนุษย์โลกเทวโลกระบลมโลกมีความสุข แล้วก็ใช้ปัญญาพิจารณาหาความเป็นจริงด้วยกําลังของทิพยคุญานบ้างด้วยกําลังเขาปุเพนิวาสานุสติยานบ้างแล้วด้วยกําลังของอัตติตังอตตอัติสตังสยานบ้างอาตัติสตังสยานดูกําลังของคนอื่นว่าเขาเคยเป็นทิวดาหรือพรหมหรือเปล่า ปุเพนิวาสามนิยานดูกำลังของเราเองว่าเคยเป็นมนุษย์เทวดาหรือผอมหรือเปล่าเป็นสัตวน์นรกเป็นเปรตสุรกายสติอชาหรือเปล่าแล้วก็ปกเุเพนแล้วก็ทิพกคุ ญ, ญานดูสภาพความเป็นจริงของพระนิพพานว่าดีขนาดไหนเทียบกันแล้วสูวนิพพานไม่ได้กำลังใจเราก็จะรักตัดอารมณ์ได้ไง่าย เือตัดอรมแจกความเป็นต้องการเป็นคนเป็นเทวดาและผมอย่างง่ายง่ายหวังอย่างเดียวคพือพระนิพพานนี่หมายความเราเรียนแบบพระเดิยเจ้าในขั้นของวิชาสามเพราะว่าอุทุมเิกาสูี่พระพุทธเจ้าพูดตามหลักสูตรของวิอัพเอือของวิชาสามและโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งองค์สมเด็จพระสัมมาดดสัมพุทธเจ้าทรงยืนยัน ว่าโรองค์ทรงแนะนำราษาวกคติหลักสูตรของวิชาสามอันนี้ละบรรดาแทานพุทธบริษัทในเวลาอีกสามนาทีจะพูดอะไรไปมากก็ไม่เป็นเรื่องความจริงการพูดน่าจะจบเพียงเท่านี้แต่ว่าท่านผู้มีพระคุณขอร้องให้พูดอยู่สั่งหนึ่งคัดเสร็จ เป็นคัตเสจที่แปดเป็นการเกล่าวความรู้สึกต่างๆที่ดานเห็นทุกคนก็ขอปฏิบัติตามท่านฉะนั้นขอบรรดาเพื่อนพระวิโสสมณี น, นทั้งหลายและญาติโยมพุทธบริษัทกำลังใจของบรรดาธรรมบริษั ท, ทตายเต้าเดินมาตามปฏิปทาของพระอรียเจ้า แต่ว่าทุกคนจงอย่าหลงว่าเราเป็นพระอริยเจ้าใคร็ขาตั้งใเป็นพระอริยะแล้วหรือยังมาต้องรอพระพุทธเจ้าทรงพยากรก่อนถ้าพระพุทธเจ้ายังไม่พยากรเพียงใดเราจะไม่เชื่อใจว่าเราเป็นพระอริยเจ้าแล้วบางเอิญจะมีภาพใดภาพหนึ่งปรากฏขึ้นทำตนว่าเป็นพระพุทธเจ้าทรงพยากร เราก็แค่รับฟังแต่ไม่เก็บไว้ปฏิบัติตามเราจะไม่ยอมเชื่อใจแล้วว่าเราเป็นพระอราญาเจ้าและเราจะไม่ทะ น, นงตัวของเราเองว่าเป็นพระอราญาเจ้าเดียวจะต้องคิดไว้เสมอว่าถ้าเรายังไม่ตายยังไม่ไปถึงบัณฑิพานเพียงใดเราอยังดีไม่พอ เราจะยังไม่อิ่มไม่เบื่อในการประกอบความดีจะทำความดีต่อไปทั้งนี้ก็เป็นการปฏิบัติด้วยความมั่นคงตามที่องค์สมเด็จพระจอมไตรปรมสา์สันดาษมาพทกเจ้าสงแนะนำานนอาลาบรรดาบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านมองโดยลามันก็สามสิบนาทีพอดีสำหรับวันนี้ก็ต้องลาก่อน ขอความดีที่องค์าาสมเด็จพระจินนวรสมบัทานทั้งหมดจงมีแดบบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทที่วิสุทธิมนณนีนิพพุนสาวกแองค์สมเด็จพระสุบรม ส, สุโคทุกท่านจงเข้าถึงวิถีพานในชาตินี้ได้ทั่วถึงกันสวัสดี